2อ1ทุกขะหิตะสุขะหิตาธิกถาว่าด้วยจีวรที่ถือเอาไม่ดีและถือเอาดีเป็นต้นเรื่องพระเรวตะฝากจีวร3อสมัยนั้นท่านพระเรวตะฝากจีวรไปกับภิกษุรูปหนึ่งให้นำไปถวายท่านพระสารีบุตรด้วยสั่งว่า ท่านจงถวายจีวรผืนนี้แก่พระเถระลำดับนั้นในระหว่างทางภิกษุรูปนั้นได้ถือเอาจีวร น, นั้นเพราะวิสาสะกับท่านพระเรวตตต่อมาท่านพระเรวตะมาพบท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าผมฝากจีวรมาถวายท่านได้รับแล้วหรือขอรับท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านผมยังไม่เห็นจีวร น, นั้นเลยต่อมาท่านพระเรวตะได้ถามภิกษุผู้รับฝากนั้นว่าท่านผมฝากจีวรกับท่านให้นําไปถวายพระเถระจีวร น, นั้นอยู่ที่ไหนภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านผมได้ถือเอาจีวร น, นั้นแล้วเพราะวิสาสะกับท่าน ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ